เจรอนพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กระทำ Finally, เพื่อความสุข <c oughs> เพื่อความเจริญทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เกิดจากผู้ที่มี ปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมองเห็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเราเห็นแต่ส่วนที่เป็นร่างกายของพวกเราแต่ส่วนที่เป็นจิตใจพวกเรามองไม่เห็นและไม่รู้ว่าเวลาที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปแล้วจิตใจจะเป็นอย่างไรต่อไป และขณะที่อยู่ก็ไม่รู้จักวิธีที่จะรักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดปราศจากความทุกข์ความวุว่นวายใจต่างๆแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งพวกเราเราก็จะมี ที่บอกให้เรารู้ว่าความสุขความทุกข์ของใจของเรานี้เราเป็นผู้ผลิตมันขึ้นมาเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองความทุกข์ต่างๆนี้มันเกิดจากความคิดของเราและความสุขต่างๆก็เกิดจากความคิดของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานี้ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งคำว่าสารณะนี้ก็คือเป็นผู้นำทางเป็นผู้สอนผู้บอกเราเป็นอาจารย์ของพวกเราเพราะว่าพวกเราเป็นเหมือนเด็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนถ้าเราไม่เข้าโรงเรียนเราจะไม่ได้เรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆที่เราจะเอาไปใช้ ในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่วิชาความรู้ที่เราเรียนรู้ทางโรงเรียนนี้เป็นวิชาชีพเป็นวิชาที่สอนให้เรารู้จักทำมาหากินมีรายได้มีความสบายทางร่างกายเพราะเมื่อเรามีรายได้เราก็สามารถที่จะ ซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่อย่างเป็นปกติสุขของร่างกายก็คือซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหง่มซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยแต่นี่เป็นเพียงครึ่งเดียวของชีวิตของพวกเราอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของพวกเราคือจิตใจนี้ต้องการสิ่งที่คล้ายๆกับร่างกาย แต่เป็นคนละอย่างกันจิตใจของพวกเราก็ต้องการาที่อยู่อาศัยต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มต้องการยารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าไม่มีใครรู้กันผู้ที่จะรู้ได้นี้จะต้องเป็นผู้ที่ออกบวชแล้วก็ ปฏิบัติทำเข้าไปข้างในใจเข้าไปหาความจริงที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราพวกเราไม่รู้เวลาที่เราทุกทุกเพราะอะไรเวลาที่เราสุขสุขเพราะอะไรเราไม่รู้เราก็เลยไปคิดว่าเราสุขเพราะว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการ เช่นได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้เงินทองเข้าของต่างๆเราก็ได้ความสุขแต่พอเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเราก็จะต้องทุกข์เราไม่สบายใจกันนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธี ที่จะทําให้ใจเรามีความสุขโดยไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอนเราก็จะพบกับความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั้นมันเป็นความสุขไม่ถาวร น, นั่นเองมันมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลาร่างกายของเรา เจริญโตบ โ, โตเกิดออกมาใหม่ๆร่างกายของเราก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ต่อมาพออยู่ไปนา น, านๆเข้าร่างกายของเราก็ต้องค่อยแก่ลงไปแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ในที่สุดก็ต้องตายไปนี่คือสิ่งที่พวกเรา มองไม่เห็นกันจึงทำให้พวกเราหลงไปอยากมีร่างกายเพราะคิดว่าเวลามีร่างกายแล้วเราจะได้ทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำได้เราอยากจะดูอะไรก็ดูได้อยากจะฟังอะไรก็ฟังได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ดื่มได้รับประทานได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปอยู่กับใคร ก็สามารถทำได้ถ้ามีร่างกายแต่เวลาที่ร่างกายตายไปเราจะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำได้เมื่อไม่มีร่างกายเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์กันเราจึงต้องมาทุกข์กับการคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายคอยรักษาร่างกายให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงแต่แม้ว่าเราจะดูแลได้ ดีขนาดไหนเราก็ไม่สามารถสู้ความจริงสู้ธรรมชาติของร่างกายไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายก็คือเมื่อคุณมีเกิดแล้วก็ต้องมีการเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ต้องมีความแก่ตามมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามามาและมีความตายตามามา พระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงอันนี้จึงได้พยายามศึกษาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่ความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่ามีความสุขเอกอย่างหนึ่งคือความสุขที่อยู่ในใจของพวกเราเอง ความสุขที่ทำใจของเราให้สงบใจของเราไม่สงบเพราะความหลงหลอกให้เราอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆจึงทำให้ใจของเราไม่สงบพอใจเราไม่สงบใจของเราก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ใจของเราจะมีความสุขและเป็นความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วก็เลยนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้พวกเรามากําจัดความโลภความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจเพื่อที่ใจของเราจะได้สงบเพื่อที่ใจของเราจะได้มีความสุข แล้วเราจะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องพึ่งอะไรให้เราให้เรามีความสุขไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พึ่งไม่ได้อย่างแท้จริงพึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปมีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไป ให้เรามาพึ่งสิ่งที่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดดีกว่าก็คือความสงบที่เกิดจากการได้กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจวิธีที่จะกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็มีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือกำจัดความโลภความอยากด้วยการ เอาเงินทองที่เราจะไปใช้ซื้อของต่างๆตามความโลภตามความอยากนี้เอามาทาบุญเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วจะทำให้ความโลภความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆนั้นมันเบาบางลงไปพอความโลภความอยากเบาบางลงไป ความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นพอะความสงบมีเพิ่มมากขึ้นความสุขใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้ญาติโยมก็เอาเงินทองไปซื้อข้าวของต่างๆเช่นกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานเอามาทำบุญคำว่าทำบุญก็คือทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขนั่นเองบุญคือความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราเรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินทองที่เรามีอยู่ที่ถ้าเราไม่เอามาทำบุญเราก็จะเอาไปซื้อของตามความอยากเอาไปเที่ยวไปเล่นตามความอยากแล้วเราก็จะมีความมุ่นหวายใจเพิ่มมากขึ้นเพราะความโลภความอยากไม่ได้ทำให้ใจสงบ แต่กลับจะทำให้ใจโลภใจอยากเพิ่มมากขึ้นเช่นวันนี้ไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวต่อนะทำอะไรแล้วอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่ได้ทำก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความเศร้าใจขึ้นมาเช่นวันนี้ได้ไปเที่ยวดี อ, อกดีใจเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะออกไปเที่ยวแต่ไปไม่ได้ร่างกายไม่สบาย เป็นไข้ก็จะไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ทำตามความอยากแต่ถ้าเราฝืนทุกครั้งที่เราจะเอาเงินทองไปเที่ยวตามความอยากเราเอาเงินทองมาซื้อกับข้าวกับปลาอาหารของขา่าวของหวานมาใส่บาตมาถวายพระหรือจะให้กับคนยากคนจนคนที่เขาขาดแคลนก็ได้เหมือนกัน ทำไปเพื่อสกัดกั้นความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวไปเล่นไม่เกิดความสุขที่แท้จริงเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดความทุกข์ถ้าไม่ได้ทำตามความอยากแต่ถ้าเอาเงินทองที่จะไปใช้ตามตามความอยากนี้มาทำบุญเราก็จะลดปริมาณของความอยากให้น้อยลงไป ทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากความอยากนั้นจะน้อยลงไปเช่นคนที่อยากจะเลิกดื่มสุราเขาก็ต้องฝืนเวลาอยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มพอไม่ดื่มความอยากก็จะเบาลงไปครั้งต่อไปถ้าอยากอีกก็ไม่ดื่มอีกถ้าฝืนไปไเรื่อยๆไม่นานความอยากก็จะหมดไปแล้วก็ไม่ต้องมาดื่มสุรา ให้เป็นโทษกับตนเองและโทษกับผู้นี่คือเรื่องของใจของพวกเราใจของพวกเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราสามารถต่อต้านความอยากได้ลดปริมาณความอยากลงได้ถ้าเราทําตามความอยากความอยากจะไม่น้อยลงไปแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราเคยได้ยินว่า ได้คือก็อยากได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาเป็นนายศิษย์ก็อยากจะเป็นนายร้อยเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นไปเรื่อยๆเป็นคนธรรมดาก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นกรรนันอยากจะเป็นนายกเทศบาลอยากจะเป็นสสพอเป็นสสก็อยากจะเป็นรัฐมนตรี พอเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกนยมันไม่มีวันสิ้นสุดความอยากและเวลาอยากแล้วนี่มันทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆแล้วจะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนเกาะวายกระสรับกระสายเพราะความอยากมันคอยคอยคอยกระตุ้นเราอยู่เรื่อยๆนี่คือโทษของความอยากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบ และเห็นว่าเวลาที่ไม่มีความอยากนั้นเป็นเวลาที่มีความสุขเพิะ อ, องจึงต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่พระ อ, องค์เคยใช้หาความสุขต่างๆตามความอยากแล้วก็ไม่ไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมืออีกต่อไปท่านก็เลยได้หลุดออกจากวงจรของความอยาก จากการใช้เงินใช้ทองไปพวกเราถ้าไม่ต้องใช้เงินทำตามความอยากนี้เราก็จะไม่ต้องดิน้นรนหาเงินหาทองกันแบบที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ที่เราต้องหาเงินกันมากๆ ก, ก, ก็เพราะความอยากใช้เงินนี้เองแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากใช้เงินได้เราก็ไม่ต้องหามากถ้าจะหาก็หาเท่าที่จําเป็นเช่นหา ให้ร่างกายเท่านั้นเองซึ่งไม่มากมายเหมือนกับความอยากความอยากนี้ต่อมีให้มีกี่ล้านก็ไม่พอใช้แต่ถ้าความต้องการของร่างกายนี้มันมีขอบเขตมันตายตัวเช่นอาหารกินวันละร้อยบาทก็อยู่ได้แล้วเสื้อผ้ามีสักห้าหชุดก็พอแล้วมีบ้านอยู่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้ว ไม่สบายมีเงินซื้ออยู่ซื้อยาไปโรงพยาบาลก็พอแล้วความจําเป็นของชีวิตของพวเราเานี้ไม่ต้องใช้เงินมากไอ้ที่ต้องใช้เงินมากก็คือความอยากนี่แหละอยากซื้อของแพงๆอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะซื้อของที่ไม่จําเป็น<ม>เห็นคนเงินเขามีมก็อยากจะมีกับเขา<ม>ซื้อมาแล้วก็เท่านั้น<ม>ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ทําให้มีความสุข มากกว่าเนดะิมกับมีความอยากมากกว่านะเดิมก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มอีกซื้อมาอยู่เรื่อยๆเงินทองก็จะไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินหาทองนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขความสุขจากการใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากนี้เป็นความทุกขนะ์การไม่ใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆตามความอยาก แล้ เ, เงินทองนี้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นการสร้างความสุขให้กับใจนี่ท่านเรียกว่าทําบุญเพราะเวลาทําบุญแล้วก็ลดความอยากลงไปต่อไปเราจะไม่ต้องซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆไม่ต้องไปเที่ยวไปเล่นไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆแต่เราจะหาความสุขจากการทําบุญนี่คือขั้นที่หนึ่ง พอขั้นที่สองก็ให้เรารักษาศีลไม่ให้ทาบาป ก, การทําบาป ก, ก็ทําด้วยความอยากเหรอเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถที่จะไปซื้อมาได้เพราะเงินทองไม่มีก็ไปลักขโมยของของคนอื่นหรือไปขโมยเงินทองเพื่อที่จะไปซื้อของตามความอยากถ้าเรารักษาศีลเราก็จะไม่สามารถที่จะไปทําบาปได้ พราะศีลนี้จะห้ามไม่ให้เราฆ่าสัตว์ไม่ให้เรารักทรัพย์ไม่ให้เราประพฤติผิดประเวณีไม่ให้เราพูดปดไม่ให้เสพสุรายาเราการมีศีลก็จะห้ามความอยากต่างๆให้น้อยลงไปคนที่รักษาศีลได้กับคนที่รักษาศีลไม่ได้นี้มีความสุขไม่เหมือนกันคนรักษาศีลได้จะมีความสุขมากกว่าคนที่รักษาศีลไม่ได้ คนทำบาปนี้ใจจะไม่สบายใจจะวิตกกังวลกลัวจะต้องถูกจับไปลงโทษนี่คือข้อที่สองให้เรารักษาศีลเป็นชาวพุทธนี้ต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆถ้ามีพระเดินบิณฑบาตผ่านบ้านก็ให้ใส่บาตรถ้าไม่มีก็เก็บเงินไว้วันเสาร์อาทิตย์ค่อยมาวัด ซื้อข้าวซื้อของมาทําบุญให้ทําอย่างนี้แล้วจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความสุขมากกว่าคนมีเงินร้อยล้านผันล้านไว้ซื้อไว้ใช้เพราะการใช้เงินซื้อของตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการให้ความสุขกับใจแต่จะเป็นการให้ความทุกข์กับใจมีเพิ่มมากขึ้นคนที่ไม่มีเงินทองแต่ทําบุญทําทานรักษาศีลได้นี้ จะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินทองร้อยล้านพันล้านแต่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลนี่คือการสร้างความสุขใจสองข้อแรกทำบุญให้ทานรักษาศีลข้อที่สามก็ให้มาทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นเราไหว้พระสวดมนต์นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะเวลาที่เราไหว้พระสวดมน เราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากถ้าเราไม่ไหว้พระสวดมนต์เดี๋ยวเราก็คิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงของเล่นก็อยากจะเล่นคิดถึงของต่างๆก็อยากจะซื้อคิดถึงสถานที่ต่างๆก็อยากจะไปเราต้องมาหยุดความอยากด้วยการมาทำใจ ให้สงบไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการสวดมนต์แต่ต้องสวดบ่อยๆสวดมากๆเวลาที่เกิดความอยากก็สวดไปเลยสวดให้มันจนลืมไปเลยว่าอยากจะไปทำอะไรถ้ายังอยากอ ย, กอยู่ก็สวดไปเรื่อยๆหรือจะท่องคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถสวดไปเรื่อยๆท่องพุทโธไปเรื่อยๆเวลาเกิดความอยาก เราไปความอยากมันจะหายไปมันจะสงบตัวพอมันหายแล้วมันจะทำให้ใจเรามีความสุขสุขมากกว่าการไม่ทำบาปสุขมากกว่าการทำบุญให้ทางนก็นี่เป็นความสุขเต็มร้อยเวลาใจสงบนี้ความอยากสงบตัวไปชั่วคราวความสุขเต็มร้อยก็โผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำข้อที่สี่ นอกจากไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบแล้วเราต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฆ่ามาทำลายความอยากพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นความอยากต่างๆว่าเป็นเหมือนเชื้อโรคของร่างกายเวลาร่างกายเราติดเชื้อเราทำอย่างไรเราต้องซื้ อ, อยามากินฆ่าเชื้อเพราะถ้าไม่ฆ่ามันมันก็จะทำให้เราเจ็บไข้ไม่สบายเป็นไข้ได้ ชั้นใดถ้าเรามีความโลภความอยากอยู่ในใจใจของเราจะอยู่ไม่เป็นสุขใจของเราจะวุ่นวายจะเดือดร้อนเราต้องเอาคำสอนของพระเจ้าที่สอนว่าอย่าไปทำตามความโลภอย่าไปทำตามความอยากให้อยู่กับความสงบดีกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระทำใจให้สงบดีกว่าดีกว่าไปทำตามความอยากพอทำแล้วก็จะต้องวุ่นวาย เพราะสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรจากเราไปเราก็จะไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจนี่คือขั้นที่สี่ก็คือเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข ทุกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องจากเราไปทุกเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีได้เวลาไม่ดีเราก็จะเสียใจเวลาเราได้ใครมาเป็นแฟนเราเวลาเขาดีเราก็มีความสุขพอเวลาเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีเราก็จะต้องร้องห่มร้องห้าถ้าเราไม่มีแฟนเราก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ากับเรื่องของแฟน อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับการสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับการทำใจให้ว่างไม่มีความอยากจะดีกว่านี่คือวิธีที่พทธเจ้าทรงค้นพบที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์เหมือนกับพ่พระพุทธเจ้าก็ขอให้เราทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือ ให้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้ว่างทำใจให้สงบแล้วก็เวลาเกิดความอยากก็อย่าไปทำตามความอยากให้เตือนใจเสมอว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุข ี่ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือเกิดขึ้นกับร่างกายของคนที่เรารักเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรเรื่องสำคัญอยู่ที่ใจของพวกเราอยู่ที่การกําจัดความอยากต่างๆ ถ้าเรากำจัดความอยากได้หมดแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตายไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ร่างกายของพวกเราทุกคนต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายกันด้วยกันทุกคนแต่เราสามารถแก่เจ็บตายได้อย่างไม่มีความทุกข์ แก่เจิบตายได้อย่างมีความสุขเพราะเราไม่มีความอยากเราสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายได้ดึงนขอให้ท่านจงนำเอาคำสอนของ พ, พ่อพรเจ้านี้ไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์คือความสุขและความไม่มีทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา